วันนี้เป็นวันพระวันธรรมัณฑสวระวันฟังธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่งเพราะการได้ฟังเทศฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนั่นเองอยางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ในมงคลสูตรว่า กาเลนะธรรมะสวัังเอตัมมังกลรมุตตะมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งละกาเลนะธรรมสากัชชาเอตัมมังกลรมุตตังการาาได้สนธนารมตามการตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิ่งคำว่ามงคลก็เป็นความสุขความเจริญของจิตใจนั่นเองการที่เราเะาังธรรมเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกเราจำเป็นต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สมบ กายวาจาสงบเรียกว่าศีลใจสงบไม่คิดปรงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเรียกว่าสมาธิถ้าฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธิก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานั่นเองนี่แหละคือมงคล การที่มีดวงตาเห็นธรรมจะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองดังนั้นถ้าอยากจะฟังให้เกิดมงคลจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาที่สงบคือไม่ควรจะทำอะไรควรนั่งเฉยๆส่วน วาจาก็ไม่โผรพูดคุยกันนั่งเงียบๆเรียกว่ามีศีลตอนนี้ท่านทั้งหลายมีศีลครบกันทุกคนถ้าท่านนั่งเฉยๆท่านไม่พูดจากันไม่พูดคุยกันส่วนสมาธิเคือความตั้งมั่นของใจถ้าท่านตั้งใจฟังใจก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ใจก็จะเป็นสมาธิมีความตั้งใจฟังไม่จาเป็นที่จะต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธในขณะที่ฟังธรรมขอให้ใช้เสียงธรรมแทนคำบริกรรมพุโทโธเพราะถ้าใช้คำบริกรรมพุโทโธมันจะมาชนกับเสียงธรรมแล้วจะทำให้ไม่ได้ยินได้ฟังธรรม แล้วจะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าอยากจะนั่งสมาธิพุทธโธก็ควรที่จะหยุดฟังธรรมคือไปนั่งในที่ที่ไม่มีการแสดงธรรมไปนั่งในที่ที่สงบถ้ามีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมควรใช้เสียงธรรมนี้เป็นพุทธโธแทนไม่ต้องใช้คำบริการพุทธโธ ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนได้และเป็นประโยชน์กว่าการฟังธรรมนี้ก็มีอั น, นิสง์อยู่ห้าประการด้วยกันแถ้าฟังด้วยกายวาจาใจาสงบจะสามารถรับประโยชน์ห้าประการด้วยกันประโยชน์ที่หนึ่งก็คือ จะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยฟังธรรมเลยพอเราฟังธรรมเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วพอถ้าเราได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพอเรามาฟังธรรมใหม่ เราก็จะได้ความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดั บ, ดบถ้าทาที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราได้มาฟังอีกก็จะช่วยเสริมความเข้า อ, อกเข้าใจให้ดีขึ้นไปตามลาดั บ, ดบสามจะกําจัดความสงสัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้สี่ทให้เกิดปัญญา เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดสัมมาทิฏฐิทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ห้าทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือการฟังธรรมที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อจิตใจผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ ก็ต่อเมื่อเราฟังทำด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบทำเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าสู่ใจได้เพราะถ้าเราทำอะไรเราก็จะต้องแบ่งใจให้ไปอยู่กับการกระทำก็จะไม่สามารถรับทำได้อย่างเต็มที่ ถ้าเราพูดจะพูดคุยกันก็เหมือนกับการทำงานเราก็จะไม่ได้รับธรรมเพราะเรามม่แต่ให้ความสนใจต่อการสนทนากันทำที่เราได้ยินก็เลยเป็นเสียงแบ็ k กราวด์ไปได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เข้าใจความหมายใจก็จะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดดวงตาเห็นธรรม ใจก็จะไม่สงบไม่ผ่องใสไม่มีความสุขดังนั้นถ้าต้องการฟังทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์เกิดมงคลแก่ชีวิตจำเป็นจะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายให้นั่งเฉยเฉยนั่งนิ่งนิ่งไม่ต้องขยับวาจาไม่ต้องพูดคุยกัน ใจไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมแล้วก็พิจารณาตามธรรมที่เราได้ยินได้ฟังถ้าเราพิจารณาตามได้เราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วก็จะเกิดความกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ ใจก็จะมีแต่ความสุขเพราะความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดก็จะถูกดับไปหมดนั่นเองในสมัยพระบุตรการเวลาฟังเทศฟังธรรมจากพระบุทธเจ้าจะมีการบรรลุธรรมกันเป็นจํานวนมากบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบัน ขึ้นไปสู่ขั้นพระสะกิดาคามีพระอนาคามีและพะระอรหันต์ถ้าผู้ฟังมีศีลมีสมาธิพร้อมสมบูรณ์ฟังธรรมก็จะเกิดปัญญาเกิดการบรรลุธรรมได้ทันทีโดยเฉพาะธรรมที่เป็นธรรมแท้ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแสดงนี้ เป็นธรรมแท้เป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติซึ่งต่างกับธรรมที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาการที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแต่เรายังไม่ได้นําเอาไปปฏิบัติธรรมที่เราได้ยินได้ฟังยังเป็นชื่อของธรรมแต่ไม่ใช่ตัวธรรม เราจะเจอตัวธรรมก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นเพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าธรรมมีชื่ออะไรบ้างเช่นพระอริยบุคคลมีชื่ออะไรบ้างพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้เป็นชื่อของธรรมขั้นต่างๆที่ผู้ปฏิบัติถ้ามี ศีมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถเข้าสู่เข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้เข้าถึงธรรมตัวจริงได้ในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกทรงสง ส, งสอนทรงแสดงธรรมที่ทำให้ผู้ฟังสามารถบรรลุปเป็นพระโสดาบันได้ พอได้แสดงธรรมที่ทำให้ผู้ฟังบรรลุโสดาบันได้ก็มีผู้ฟังหนึ่งท่านในจำนวนห้าท่านก็สามารถเข้าถึงตัวธรรมเข้าถึงการเป็นพระโสดาบันได้ส่วนอีกสี่ท่านท่านยังฟังแล้วยังไม่เข้าใจต้องใช้เวลาไปพิจารณาอยู่ สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นไม่นานไม่นานท่านก็สามารถเข้าถึงธรรมอนนั้นได้ตามลาดับถ้าเราฟังธรรมแล้วเรายังไม่เข้าใจเวลาที่เราเลิกฟังธรรมเราก็ควรเอาไปพิจารณาต่อธรรมที่เรายังไม่เข้าใจเราลองไปพิจารณาดูอีกทีดูว่าเป็นอย่างไร ทำอย่างไรถึงจะได้ทำอย่างนี้เราก็ลองไปทดลองทำดู mm hmm. พอเราทดลองทำดูไม่กี่ครั้งเราก็สามารถเข้าสู่ทำอันนั้นได้ดฉ mm hmm. งนั้นการฟังธรรมจะให้เกิดผลการฟังธรรมนี้ต้องพร้อมทั้งสองส่วน คือผู้แสดงธรรมก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมขั้นต่างๆถ้าผู้แสดงเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าถึงธรรมเหล่านั้นเพียงแต่รู้จักชื่อของธรรมท่านจะไม่สามารถแสดงวิธีการให้เข้าสู่ถึงธรรมเหล่านั้นได้ จะบอกได้ก็เพียงแต่ว่าชื่อของธรรมเหล่านั้นมีอะไรบ้างแต่จะไม่สามารถบอกวิธีการเข้าสู่ธรรมเหล่านั้นได้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างเพราะผู้แสดงเองยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้เข้าถึงตัวธรรมผู้แสดงก็จะไม่สามารถที่จะแสดงสอนให้ผู้ฟัง ได้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้ได้เพียงแต่บอกชื่อของธรรมเท่านั้นแต่ถ้าผู้แสดงเป็นผู้ได้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นแล้ว mm hmm. ก็สามารถที่จะชี้แจงอธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมเหล่านั้นได้พอผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจวิธีการเข้าถึงธรรมว่าต้องทาอย่างไรบ้าง พอเข้าใจก็สามารถที่จะกระทำเพื่อให้เข้าสู่ธรรมเหล่านั้นได้ทันทีก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีดังนั้นการแสดงธรรมการฟังธรรมในยุคพุทธกาลการในยุค ป, ปัจจุบนันนี้ยังมีความแตกต่างกันอย่างมากคือยุค ป, ปัจจุบันนี้ ฟังกันแล้วไม่ค่อยได้บรรลุ ธ, ธรรมกันไม่เหมือนกับยุคพุทธกาลที่ฟังแล้วมีการบรรลุ ธ, ธรรมกันอย่างมากมายเพราะผู้ฟังกับผู้แสดงก็พร้อมในคุณสมบัติผู้แสดงก็เป็นผู้รู้ธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติผู้ฟังก็ฟังด้วยศีลสมาธิ ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังแล้วก็มีความสามารถที่จะพิจารณาตามธรรมที่ได้ยินและนำเอาไปปฏิบัติได้ส่วนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ผู้ฟังกับผู้แสดงก็ไม่พร้อมทั้งสองฝ่ายผู้แสดงก็จะเป็นผู้แสดงธรรมที่เป็นชื่อของธรรม เพราะผู้สแสดงยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้เข้าถึงธรรมแท้ได้เข้าถึงแต่ชื่อของธรรมเท่านั้นจึงไม่สามารถสอนวิธีให้เข้าถึงถึงธรรมแท้ได้ถึงตัวธรรมได้ผู้ฟังก็ฟังโดยที่กายวาจาใจไม่สงบถ้าเราไปฟังเทศที่อื่นตามงานต่าง ที่มีการแสดงธรรมเช่ uh huh. นงานศพนี่จะมีพระมาเทศให้ฟังกันแต่ผู้ฟังส่วนใหญ่จะไม่ได้ตั้งใจฟังกันกายวาจาใจไม่สงบกัน uh huh. ผู้ฟังบางคนก็ทำงานทำการคอยต้อนรับแขกคอยเลี้ยงแขก uh huh. ผู้มางานก็สนทนาคุยกัน ใจวังท่านก็นั่งคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเรื่องราวต่างๆฟังทำแบบนี้ก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรถึงแม้ว่าถ้าตั้งใจฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแต่ผู้แสดงไม่สามารถแสดงธรรมแท้ได้ผู้ฟังก็ไม่สามารถเข้าถึงธรรมแท้ได้ จะได้ก็เพียงแต่ชื่อของธรรมตามที่ผู้แสดงนำเอามาแสดงเท่านั้นในทางตรงกันข้ามถ้าผู้แสดงสามารถแสดงธรรมแท้ได้แต่ถ้าผู้ฟังไม่ได้ฟังด้วยกายวาใจวาจาใจที่สงบผู้ฟังก็จะไม่สามารถเข้าถึงธรรมแท้ได้เพราะใจนี้ ไม่ได้เปิดรับนั่นเองใจมัวแป่ไปทําอะไรมัวแต่ไปพูดไปคุยมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้ประตูที่จะรับธรรมก็เลยถูกปิดไปหรือหันไปทิศอื่นไม่ได้หันมาทิศที่ธรรมกาลังแสดงอยู่หันไปที่การคุยกันบ้างหันไปที่การทํานั่นทํานี่บ้าง อันไปที่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้บ้างทำก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ใจได้ผู้ฟังก็เลยไม่เข้าใจนั่นเองเมื่อทาไม่เข้าสู่ใจก็ไม่เกิดความเข้าใจไม่เกิดผลขึ้นมาดังนั้นถ้าต้องการให้เกิดผลให้เกิดประโยชน์จากการฟังธรรม ผู้ฟังก็ต้องเลือกหาผู้แสดงธรรมหาผู้แสดงธรรมที่เป็นธรรมแท้แล้วผู้ฟังเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีกายวาจาใจที่สงบในขณะที่ฟังถ้ามีทั้งสองส่วนนี้แล้วโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมหรือโอกาสที่จะเข้าอกเข้าใจและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรม ได้นั้นก็จะมีมากดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมก็จำเป็นที่จะต้องเลือกผู้แสดงธรรมถ้าฟังธรรมจากผู้ที่ไม่รู้ธรรมฟังไปก็จะไม่รู้ธรรมถ้าฟังจากผู้ที่รู้ธรรมฟังไปก็จะรู้ธรรมอันนี้คือเรื่องของการฟังธรรม ที่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะํำให้เกิดการบรรลุ ธ, ธรรมเกิดการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆนั่นเองการฟังธรรมในสมัยพุท ธ, ธกาลท่านแสดงว่าฟังธรรมตามกาลตามเวลาเพราะในสมัยพุท ธ, ธกาลนี้จะมีเวลาฟังธรรมก็คือฟังในวันพระนั่นเอง วันพระก็คือวันที่ญาติโยหยุดทำงานทำการกันมสมัยก่อนก็จะหยุดตามวันรามขึ้นกันขึ้นรามกันวันขึ้นสิบห้าค่ำแปดค่าวันรามแปดค่ำสิบห้าค่าหรือสิบสี่ค่ำามปฏิทินของจันทระคตินี่ก็คือวันที่เป็นวันพังทั จึงมีการตัดว่าการฟังทมตามการตามเวลา<ม>เป็นมงคลอย่างยิ่งเ<ม>พราะถ้าวันอื่นก็จะไม่มีการแสดงธรรมเพราะไม่มีผู้ฟัง<ม>ผู้ฟังต้องไปทำงานทำการไปทำมาหากินเลี้ยงชีพกันผู้แสดงก็จะไม่มีการแสดงให้แก่ผู้ฟัง ยกเว้นผู้ฟังที่มีเวลาว่างไม่ต้องทํางานทําการแล้วก็ไปหาผู้สแสดงก็<ม>จะได้ฟังธรรมแต่ส่วนใหญ่นั้นการฟังธรรมจะฟังกันในวันพระกันเท่านั้น<ม>นี่ถึงว่าทำไมถึงมีการพูดว่าตามการตามเวลาแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ เรามีวิธีฟังธรรมได้หลายรูปแบบด้วยกันสามารถฟังธรรมได้ทุกเวลาที่เราต้องการไม่จำเป็นที่จะต้องรอฟังธรรมในวันพระเพียงวันเดียวเท่านั้น mm hmm. เราสามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลาเพราะมีสื่อต่างๆที่เราสามารถเปิดฟังหรือดูดได้ทุกเวลา mm hmm. มีหนังสือธรรมะ mm hmm. มี การแสดงธรรมที่ได้บันทึกไว้เป็นเป็นเสียงเป็นภาพที่เราสามารถดูผ่านทางมือถือได้เราจึงมีโอกาสที่ดีกว่าคนในยุค พ, พุทธกาลที่ต้องรอวันพระถึงจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ก็อาจจะ ต่างกันตที่ในยุคพุทธกาลจะมีผู้แสดงธรรมที่รู้ธรรมนี่มากมีพระอริยบุคคลมากมีผู้ที่ได้บรรลุ ธ, ธรรมมากแต่ในสมัยปัจจุบันนี้มีผู้แสดงธรรมมากแต่ผู้แสดงธรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมกันยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมกัน ผู้ที่บรรลุธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อยดังนั้นก็ต้องมีการสรรหาค้นหากันต้องลองฟังเทศฟังธรรมไปหลายหลรูปหลายๆองค์ดูฟังแล้วก็จะรู้ว่าองค์ไหนพูดแล้วทำให้เราเข้า อ, อกเข้าใจ ให้เข้าถึงทาได้องค์ไหนฟังแล้วทำให้เราเกิดการสรับสนเกิดการไม่เข้าใจ<ม>ก็แสดงว่ายังไม่ใช่<ม>อันนี้จึงต้องมีการค้นหากัน<ม>หรือถามคนที่มีประสบะการณ์จากการได้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระอาจารย์ลูกต่างๆ ก็จะสามารถบอกเราได้ว่าภาจาร์รูปนั้นพะาะจาร์รูปนี้สแสดงธรรมเป็นอย่างไรได้ประโยชน์มากน้อยต่างกันอย่างไรอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการสแสดงบันทึกไว้ในสื่อต่างๆในมือถือในอินเทอร์เน็ตได้ มีธรรมะของคูบาาจายมากมายก่ายกองก็ mm. ต้องลองทดลองฟังดูเหมือนกับการที่เราไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าเราก็ต้องลองดูดูว่าขนาดไหนเหมาะกับเราถูกกับเรา mm. ขนาดไหนไม่เหมาะไม่ถูกกับเรา mm. เราก็ต้องใช้เวลาหน่อย mm. นี่คือเรื่องของ การฟังเทศฟังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพ mm hmm. ราะธรรมนี่เป็นของที่ฝังหาฟังยากจะฟังได้ก็ต้องมาวาดดัดเบื้อเข้าไปในแหล่งที่มีธรรมถ้าเราไปแหล่งที่ไม่มีธรรมก็จะไม่ได้ฟังธรรมถ้าเราทำการค้าทำงานทำการ สถานที่เราไปก็จะไม่มีเรื่องของธรรมให้เราฟังที่ทำงานจะไม่มีเรื่องธรรมมีแต่เรื่องการค้าขายมีแต่เรื่องการหาเงินหาทอง<ม>การฟังธรรมต้อง<ม>ไปที่แหล่งของธรร ม, มก็ต้องไปที่วัดหรือไปที่หนังสือธรรมะหรือสื่อที่เรามีการแสดงธรรม อันนี้ถึงจะได้ยินได้ฟังธรรม mm hmm. เพราะธรรมนี้เป็นความรู้ที่ทไม่เหมือนกับความรู้ทั่วๆไปความรู้ทั่วๆวไปจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวกับการธรมาหากินวิชาชีพต่างๆเช่นวิชาแพทย์วิชาพยาบาลวิชาครู mm hmm. วิชาบัญชีวิชาอะไรต่างๆ เป็นวิชาที่เราสามารถมาประกอบอาชีพที่สุดเจริญได้จะได้มีรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นแต่จะไม่มีวิชาธรรมไม่มีความรู้ที่จะมาเลี้ยงดูจิตใจของพวกเราให้อยู่การอย่างโลภเย็นเป็นสุขต้องอาศัยการฟังธรรมถึงจะได้ยินได้ฟังวิชาธรรม วิชาธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาบนี่แหละที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังแต่ยังอาจจะไม่เข้าใจว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรและผลของบุญผลของบาปเป็นอย่างไรเช่นผลของบุญเป็นสวรรค์เป็นอย่างไรสวรรค์ผลของบาปเป็นอบายเป็นอย่างไร เรายังอาจจะไม่เข้าใจถึงแม้เราอาจจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าไปทำบุญกันแต่ยังไม่รู้ว่าทำบุญแล้วได้อะไรอย่างไรอันนี้ต้องมาฟังทำแล้วก็จะได้ยินได้ฟังว่าบุญเป็นอย่างไรผลของบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรผลของบาปเป็นอย่างไรนอกจากนั้นแล้วยังมี เรื่องของผู้ไปรับผลบุญผลบาปอีกด้วยว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะถ้าร่างกายตายไปแล้วก็อาจจะคิดว่าไม่มีผู้ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก็ได้เพราะเราเห็นว่าตัวเราคือร่างกายเมื่อร่างกายตายไปเราผู้ทำบุญทำบาปจะไปรับผลบุญผลบาบที่ไหน ในเมื่อไม่มีร่างกายที่จะไปรับผลบุญผลบาปนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความสงสัยเกิดความลังเบรขึ้นมาว่าทำบุญแล้วมีผลจริงหรือเปล่าทำบาปแล้วมีผลจริงหรือเปล่าหรือผลมีแค่ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเช่นเวลาทาบุญผลของการทำบุญก็คือความสุขใจ ผลของการทำบาปก็คือความทุกข์ใจนะถ้าทำบุญก็อาจจะได้รับรางวัลทำความดีก็อาจจะมีผู้ให้รางวี่รางวัลให้คำสรรเสริญยกย่องให้รางวัลต่างๆส่วนถ้าทำบาปก็จะถูกตำหนิตีเตียนหรือจะถูกจับไปลงโทษ ก็อาจจะเห็นผลของบุญผลบาปชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นแต่ไม่เห็นผลของบุญของบาปที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพะไ่รู้ว่าใครจะไปเป็นผู้รับผลหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วอันนี้ถ้ามาฟังธรรมเราจะรู้จะได้ยินว่าผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้มีอยู่ เป็นผู้เดียวกันกับเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําบุญ<ฮ>ทําบาบนี้เองร่างกายนี้ไม่สามารถทําบุญทําบาปโดยลําพังร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาตัวหนึ่งหรือหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่จะทําอะไรได้ต้องมีผู้ควบคุมหุ่นยนต์เป็นผู้สั่งการก่อนอเรามีร่างกายแล้วเราก็มีจิตใจด้วย จิตใจนี้แหละเป็นผู้สั่งการร่างกายแต่จิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ว่าจิตใจนี้อยู่ตรงไหนมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเลยเราจะไม่รู้ว่า จิตใจนี่แหละเป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปโดยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือจิตใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปทำบุญจิตใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายไปทำบาปแล้วจิตใจก็เป็นผู้รับผลบุญผลบาปตั้งแต่ทำไปเลยพอทำบุญจิตใจก็ได้รับความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันที พอทำบาปก็จะได้รับความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีและความสุขใจและความทุกข์ใจนี้ก็ยังจะมีผลต่อไปหลังจากตอนที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจที่สั่งให้ร่างกายทำบุญทาบาปนี้ไม่มีวันตายเพราะไม่มีรูปร่างไม่มีขนาดไม่มีส่วนประกอบ เมื่อมีส่วนประกอบก็จะไม่มีวันชำรุดสุดโทรมถ้าสิ่งใดมีส่วนประกอบเช่นร่างกายนี้ก็เป็นส่วนประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำนมไฟเมื่อมีส่วนประกอบก็จะต้องมีการเสื่อมมีการชำรุดมีการแยกตัวของส่วนประกอบออกจากกันในที่สุดร่างกายอยู่ไปได้เรื่อยๆพอถึงวันที่ ธาตุทั้งสี่ที่มาประกอบให้มีร่างกายนี้แตกสามัคคีกันแยกทางกันร่างกายก็จะหายไปเพราะว่าธาตุจะแยกออกจากกันธาตุลมจะไปก่อนแม่หนละ่ะพอไม่หายใจลมไม่เข้าเอพอลมไม่เข้าร่างกายก็หยุดทํางานพอหยุดทํางานธาตุไฟที่ร่างกายผลิตก็จะหายไป แล้วธาตุน้ำที่อยู่ในร่างกายก็จะแยกออกจากธาตุดินต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุสีถ้าสิ่งใดมีการรวมตัวของอุปกรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ช้าก็เร็วชิ้นส่วนที่มารวมตัวกันนั้นก็จะต้องแยกตัวออกจากกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์หรือเป็นวัตถุต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่เราใช้กันนี้มันก็เป็นอุปกรณ์ที่มีการมารวมตัวกันเมื่อรวมตัวกันได้อยู่สักระยะหนึ่งมันก็จะแยกตัวกันพอแยกตัวก็เกิดชารุดชุดส่ง ชิ้นส่วนที่เราใช้ในรถยนต์มันก็เริ่มเสียเสียทีละชิ้นสองชิ้นถ้าไม่ซ่อมไม่เปลี่ยนเดี๋ยวรถรถยนต์ก็จะไม่สามารถใช่การได้นี่คือเรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้แต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวที่เริ่มการกระทาต่างๆผู้ที่สั่งการนี้คือใจ สัให้ร่างกายทำบุญทำบาปแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ า, าใจนี้ไปรับผลบาปผลบุญผลบาปอย่างไรเราก็สามารถดูได้ตอนที่ร่างกายนอนหลับ เวลาร่างกายนอนหลับนี้ก็เป็นเหมือนกับร่างกายตายชั่วคราวนอนหลับนี้ร่างกายไม่ขยับไม่ทำอะไรตอนนั้นใจก็จะไปรับผลบนผลบาปด้วยการฝันดีหรือฝันร้ายนี้เองฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์ฝันแต่เรื่องดีๆฝันแต่เรื่องที่มีแต่ความสุข ไปทำนูน่ทนทํานี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เรานอนหลับฝันดีอันนั้นแหละก็เรียกว่าสวรรค์เป็นผลที่เกิดจากบุญที่เราทําไว้บุญนี่แหละเป็นตัวผลิตความฝันที่ดีให้กับเราเราเรียกฝันเพราะเรายังเตินขึ้นมาอยู่แต่ถ้าเราตายร่างกายตายนี้เราไม่เรียกพวกว่าฝันนะ เราเรียกว่าสวรรค์เลยถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์จะฝันยาวไปจนกว่าจะได้รับร่างกายอันใหม่ใจของเรานี่หลังจากที่ตายจากร่างกายไปแล้วใจของเรานี้ยังมีความปรารถนาที่จะกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากจะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็เลยไปหาร่างกาย<ม>ไปรอรับร่างกายอันใหม่ แต่พ่อแม่คนใหม่ช่วงที่ไปรอรับร่างกายนี้ก็เป็นช่วงที่กับฝันอยู่ฝันไปตามอำนาจของบุญเนื้อของบาปถ้าเราทำบุญบุญก็จะทำให้เราฝันดีออถ้าเราทำบาปบาปก็จะทำให้เราฝันร้าย เ, ออเออพราะอะไรเราจึงฝันร้าย เพราะเวลาเราทํำบาปเราทําแต่เรื่องที่ลายๆเรื่องที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นเองมันก็ฝังอยู่ในใจของเราเหมือนกับเวลาที่เราทําบุญเราก็ทําแต่เรื่องดีๆมันก็ฝังอยู่ในใจของเราพอเวลาที่ร่างกายไม่ทําอะไรเราไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆมาเสพได้คือรูปเสียงกลิ่นรส ตอนนั้นเราก็เลยต้องอาศัยความฝันเป็นเครื่องเสพไปเราก็เสพครับกับความฝันแต่เราเลือกความฝันไม่ได้ความฝันนี้บุญกรืบาปจะเป็นผู้เลือกให้กับเราถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเราก็จะฝันดีมากกว่าฝันร้ายถ้าเราทำบาปมากกว่าบุญทำบาปมากกว่าทำบุญเราก็จะฝันร้ายมากกว่า ฝันดีพอเราตายไปเวลาที่ร่างกายตายไปก็เหมือนเรานอนหลับยาวเราก็จะฝันไปทางใดทางหนึ่งถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะฝันเราก็จะฝันดีไปเรื่อยๆจนกว่าบุญกับบาปจะมีกำลังเท่ากันเราก็จะไปรอรับการเกิดใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่ ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญเราก็จะฝันร้ายฝันร้ายขณะที่ไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ในสภาพของเปรตบ้างของอสูรกายบ้างของนรกบ้างซึ่งเป็นชื่อของฝันร้ายชนิดต่างๆนั่นเองฝันร้ายของเปรตที่เป็นเปรตก็คือฝันแต่เรื่องที่หิวโหยมีแต่เรื่องอดอยากขาดแขนแผลนแขนถ้าฝันเรื่อง อสุรกายก็ฝันแต่เรื่องความหวาดกลัวต่างๆเรื่องราวหน้าหวาดกลัวนภัยต่างๆที่มาคุกคามเราถ้าเราฝันถึงนรกก็จะเป็นเรื่องของการฆ่าฟันกันเรื่องของการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันทําสงครามกันไปเรื่อยๆถ้าเราไปได้ร่างกายในช่วงที่เรามีบาปเป็นผู้พาไป เราก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานไปได้ร่างกายของสุนัขของแมวของวัวของควายของนกของอะไรต่างๆไปนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกของอบายเรื่องของสวรรค์มันอยู่ที่ใจของเรานี่ทั้งหมดใจเรานี่เป็นเหมือนกับโรงภาพยนตร์โรงละครที่จะฉายละคร ฉายภาพยนต์แต่และเรื่องแล้วแต่ว่าเราไปาไปไปทำบุญหรือทำบาปมาถ้าทำบุญเราก็จะใายแต่เรื่องดีๆเรื่องหวานหวานเรื่องเย็นเย็นเรื่องที่มีแต่ความสุขถ้าเราไปทำบาปมาเราก็จะฝันแต่เรื่องร้ายๆเรื่องโหดๆเรื่องฆ่าฟันกันเรื่องแก่้งแย่งชิงดีกันน่ง เรื่องล้างผ่านกันจองเวรจองกรรมกัน uh, ก็จะเรียกว่าอบายในสภาพต่างๆอบายที่เกี่ยวกับความหิวโหยอดอยากขาดแคลนก็เป็นเปรตอบายที่เกี่ยวกับเรื่องความหวาดกลัวกับภัยต่างๆก็เรียกว่าสุรกายอบายที่เกี่ยวกับการฆ่าฟันกันอาฆาตพยาบาทแก้แค้นน้ำแค้นจองเวรจองกรรมทําสงา์กัน อันนี้ก็จะเป็นนรกนีถ้าบะถ้าถ้าเป็นบุญก็จะเป็นแต่เรื่องไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่สวยงามที่มีอาหารวิเศษอาหารชนิดต่างๆให้รับประทานมีภาพต่างๆให้ชมภาพสวยๆงามๆ ม, มีเสียงสวยๆงามๆให้ได้ยินได้ฟัง น, นี้คือเรื่องของสวรรค์เราเรียกสวรรค์เวลาที่ ร่างกายตายไปเพราะใจนี้ก็จะฝันยาวแต่ถ้าราักขณะที่เรานอนหลับนี้เราก็จะไปสวรรค์ไปอบายชั่วคราวเหมือนกับไปดูหนังตัวอย่างตอนที่เรายังไม่ตายเวลาที่เรานอนหลับนี่ถ้าเราฝันดีหรือฝันร้ายนี่ก็แสดงว่ามันบอกให้เรารู้ว่าเรากาลังทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากัน ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เรายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้สมมติว่าถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆเราลองกลับมาทำบุญดูเลิกทำบาปดูแลต่อไปไม่นานต่อไปเราอาจจะฝันดีก็ได้ฝันร้ายต่างๆก็จะหายไปก็ได้ในทางกลับกันถ้าเราฝันดีแต่ถ้าเราเริ่มไปทำบาปต่างๆเดี๋ยวต่อไปเรานอนหลับเราก็ จะฝันล้าขึ้นมาแทนก็ได้อันนี้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เรายังเปลี่ยนเปลี่ยนผลของบุญของบาปได้ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังไปในทางบาปเราสามารถเปลี่ยนทางได้ด้วยการหยุดการกระทาบาปต่างๆแล้วหันมาทำบุญให้มากๆขึ้นเมื่อทำบุญมากๆขึ้นต่อไปเวลานอนหลับ แทนที่จะฝันร้ายก็จะฝันดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรื่องของของการไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วงั้นถ้าเราไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่มีวันเข้าใจเราจะไม่รู้ว่าผู้ไปรับผลบุญผลบาปเป็นใครแล้วผลบุญผลบาป ท, ที่เรียกว่าสวรรค์ ที่เรียกว่าอบายนี้มันเป็นอย่างไรแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ยินได้ฟังแล้วอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ถ้ามาฟังบ่อยๆเข้าแล้วนามาไปทดลองทำดูก็อาจจะเข้าใจดีขึ้นไปถ้าเราเริ่มทำบุญทำบุญให้มากขึ้นมากขึ้นไปแล้ว ต่อไปถ้าเราฝันดีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เราก็จะรู้ว่านี่แหละคืออา น, นิสงส์ของการทําบุญมันทําให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีในขั้ตอนที่เราไม่มีร่างกายตอนที่มีร่างกายนี้เรายังสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะหาสิ่งที่ดีหรือหาสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราถูก ความกดดันให้เราไปหาสิ่งที่ไม่ดีเราก็ฝืนได้อย่าไปทําเช่นบางทีชีวิตอาจจะแร้นแค้นอาจจะถูกบีบบังคับให้ต้องไปทําบาปแต่ถ้าเรากลัวบาปกลัวของผลของบาปเราอาจจะยอมทนอยู่กับความแร้นแค้นดีกว่าดีกว่าการไปทําบาปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราความแร้นแค้นมันก็หมดได้ หมดเราก็ไม่ได้ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปรับผลบาปแล้วเราก็พยายามทำดีทำความดีการทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำด้วยเงินทองเป็นอย่างเดียวเราไม่มีเงินทองเราก็ยังมีเวลามีร่างกายที่เราสามารถเอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้<ม>การทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการทำให้ผู้อื่นมีความสุข น, นี้ก็เรียกว่าบุญนี่เอง ไม่ใช่ต้องทําบุญด้วยการใช้เงินทองเพียงอย่างเดียวไม่มีเงินทองก็ทาบุญได้อย่างบางท่านก็มีเวลาว่างก็มาช่วยกันาทาหน้าทีา่ถ่ายทอดสดใช้ทําเครื่องมาเครื่องมือต่างๆอันนี้ก็เป็นการทาบุญโดยที่ไม่ได้ใช้เงินทองใช้เวลาใช้ความสามารถใช้ความรู้อันนี้ก็เป็นการทาบุญ ทำอย่างนี้แล้วใจเย็นใจสบายมีความสุขนอนหลับก็จะฝันดีงันขอให้เราเชื่อเรื่องของบุญของบาปเถิดเพราะมันจะทำให้มีผลที่ดีต่อเรานั่นเองเพราะเราถ้าเราเชื่อบุญเชื่อบาปเราก็จะทำแต่บุญบาปเราก็จะไม่ทำเพราะบาปมันจะทำให้เราวุ่นวายใจทำให้เราทุกข์ใจทั้งขณะที่ตื่น และขณะที่หลับถ้าเราทำบุญมันก็จะทำให้เรามีความสดใจทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับและขณะที่ตายไปผลนี่มันมีต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเพราะผู้ที่กระทำและผู้ที่รับผลนี้ไม่ได้ตายไปกับไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่เป็นเครื่องมือร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวกระทำเองร่างกายนี้เปรียบเหมือนรถยนต์ ส่วนใจนี่เป็นเหมือนคนขับรถยนต์เวลาคนขับรถไปชนคนตายนี่เขาจับรถยนต์ไปลงโทษหรือเปล่าเขาไม่ลงโทษรถยนต์เขาจับคนขับไปลงโทษฉันใดใจผู้ขับร่างกายก็เหมือนกันเวลาร่างกายไปทำอะไรร่างกายเขาไม่จับไปไปสวรรค์เขาไม่จับไปลงโทษในนรกเขาจับผู้ที่ผู้ที่ขับร่างกายก็คือใจ ผู้ที่กัผู้ที่มาจับคือใครก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองอกฎแห่งกรรมนี่เราหนีไม่ได้กฎหมายตำรวจนี่เราอาจจะหนีได้แต่กฎแห่งกรรมนี่ไม่มีใครหนีได้ทำบุญหรือทำบาปจะต้องถูกกฎแห่งกรรมนี้จับไปลงโทษหรือจับไปให้ให้รางวัลอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราเรานี่แหละคือจิตใจ เราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแล้วเรานี่แหละจะต้องไปรับผลบุญผลบาปตามที่เราได้ทำเอาไว้แล้วเรายังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อีกรอบหนึ่งเพราะเรายังมีความอยากที่จะหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายนั่นเองตอนนี้เรามีร่างกายเราทำอะไรเราก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขกันใช่ไหอ ไปเที่ยวกันนี่ก็ต้องมีร่างกายพาไปไปกินไปดื่มอะไรที่เราชอบก็ต้องมีร่างกายพาไปไปดูไปฟังอะไรก็ต้องมีร่างกายพาไปถ้าเราต้องอยู่บ้านเฉยๆนี่เราจะรู้สึกอย่างไรหงุดหงิดไหมนำคามไหมเหงาไหมเศร้าไหมว้าเหวไห ม, ไห ม, ไหมนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถออกไปหาความสุขได้นั่นเอง ความอยากไปข้างนอกนี่หละมันทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกว่าวีโดนี้หละที่เป็นตัวที่คอยผลักดันให้เราไปมีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุขต่างๆพอเราได้ออกจากบ้านนี่มีเหมือนไก่บินนะโบราณก็บอกว่าพอเวลาออกจากบ้านนี่เหมือนไก่บินพอกลับบ้านนี้เหมือนหากินนะ พ อ, อกลับบ้านนี่คอตกพอต้องกลับเข้าบ้านนี่ไม่อยากกลับเข้าบ้านแต่บางทีมันเหนื่อยไปไม่ไหวแล้วต้องขอกลับเข้ามาพักผ่อนหลับนอนก่อนเดี๋ยวพอมีแรงลุ่งช้าก็บินออกไปแะอวนี่คือความอยากของเราที่มีอยู่ในใจของเราที่เป็นตัวที่คอยดันให้เราไปดีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆร่างกายที่เรามีแต่ละร่างนี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตาย พอมันแก่เจ็บตายเราก็ไม่สามารถนํามามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เลยต้องรอรอร่างกายอันใหม่ช่วงที่รอก็เป็นช่วงที่เราไปรับผลบุญผลบาปพอดีไปฝันดีฝันร้ายไปจนกว่าถึงเวลาที่เราจะได้รับร่างกายอันใหม่เราก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นมากับร่างกายอันใหม่เวลาคลอดออกมาจากท้องแม่นั่นแหละแสดงว่าเราเพิ่งตื่น ตอนที่เราตายจากร่างกายเก่านี้เป็นเหมือนตอนที่เรานอ น, อนหลับไปแต่เป็นการนอนหลับยาวเป็นการนอนหลับเพื่อเปลี่ยนร่างกายร่างกายันเก่าใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปองรอนับร่างกายใหม่พอได้ร่างกายอใหม่พอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็ลืมตาขึ้นมาก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นก็เริ่มใช้ร่างกายหาความสุขตั้งแต่เป็นเด็กเลยใช่ไหมตอนเป็นเด็กก็ร้องขอนู่นขอนี่ขอให้แม่ เอา น, นั่นมาให้ดูเอา น, นี i มาให้ฟังถ้าให้นอนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรดื่มก็จะร้องไปเรื่อยๆนี่คือความอยากที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลับมาทำบุญทำบาปอยู่เรื่อยๆแล้วก็กลับไปรับผลบุญผลบาปอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปอย่างไปไม่มีวันสิ้นสุด จะสิ้นสุดได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี่เองถ้าเราได้เจอพระคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระอริยสงสาวกเราจะได้เรียนรู้ว่าเราเนี่สามารถยุติการเวียนว่าตายเกิดของเราได้เราไม่ต้องกลับมามีร่างกายได้ถ้าเรากําจัดเหตุที่เป็นเหตุที่เป็นตัวพายเราต้องมามีร่างกาย เหตุที่พาให้เราไมมาเนร่างกายก็คือความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่ที่ท่านเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีความสุขกับรูปเสียงกลิล่นรสผลทพะพอได้ดูอะไรที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาพอได้ยินเสียงที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะกลับมาเกิดเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ อย่ไปอยากดูอย่าไปอยากฟังอยากไปอยากลิ้มรสดมกินอยากอย่าไปอยากสัมผัสกับอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายการที่เราจะทําอย่างนี้ได้เราก็ต้องไปทําใจให้สงบเพราะความสงบนี้จะหยุดความอยากต่างๆได้เพราะความสงบนี้จะให้ความสุขกับเราเอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเอง เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปเสกลูปเสียงกลิ่นรสผลถภาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีศาสนาใดในโลกนี้ที่จะรู้เรื่องของเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันแล้วไม่รู้วิธีที่จะหยุดการเกิดของพวกเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่เป็น ผู้ทรงค้นพบวิธีที่จะยุติการกลับมาเกิดรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรถึงจะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มาเกิดรู้ว่าวิธีใดจะทำให้เราหยุดเหตุดันได้เหมือนกับคนที่อยากจะเปิดไฟหรือปิดไฟนี่ถ้าไม่รู้ว่าสวิตช์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จะเปิดหรือปิดอย่างไรแต่ถ้ามีคนรู้ว่าสวิตช์ซ่อนอยู่ตรงไหน ก็จะสามารถที่จะบอกว่าอยู่ตรงนี้อยากจะเปิดไฟปิดไฟก็เปิดได้ไปให้ไปที่ตรงนี้เหมือนไฟที่นี่เห็นไหมมีอยู่สองหลอดไม่มีสายไฟไม่มีสวิตไฟอยากจะเปิดจะปิดนี่ดองเดินหาสวิตดูเลยมันหาไม่เจอหรอกเพราะมันไม่มีสายไฟมันไม่มีสวิตไฟมันมีสวิตไฟอยู่ในหลอดนั่นนะถ้าไม่รู้ก็ไม่มีทางที่จะจะเปิดจะปิดมันได้ องถามคนที่เขารู้อันนี้ก็เหมือนกันการมาเกิดของพวกเรานี้มาเกิดอยู่ไหนสวิต ท, ที่ทำให้เรามาเกิดอยู่งไหนเราก็ไม่รู้กันต้องรอให้พบกับคนที่รู้คนที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าเพียงคนเดียวในโลกนี้ไม่มีใครรู้สวิตของเหตทุที่ทำให้เรามาเกิดกันและไม่รู้วิธีหยุดเหตทุที่ทำให้เรามาเกิดกันนั้นหยุดอย่างไร มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ได้ด้วยตนเองก็คือพระพุทธเจ้านั่นถึงเรียกว่าสามมาสัมพุทธเจ้าตัดทะรู้โดยโดยชอบด้วยพระองค์เองจะค้นหาสวิต ท, ที่พาให้นามาเกิดค้นหาวิธีหยุดสวิตนั้นเปลิดสวิตนั้นไม่มีใครรู้อันนี้ต้องหาค้นคว้าหาด้วยตนเองพระพุทธเจ้าก็ไปยามไปถามคนนู้นถามอาจารย์องนี้ว่าทํำยังไง ทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ไม่มีอาจารย์องค์ไหนรู้เลยต้องไปลองค้นหาดูเองตลอนต้นก็ไปค้นที่ร่างกายก็ไม่เจอไปอดข้าวถึงสี่สิบเก้าวันที่ว่าจะทําให้ความอยากหายไปมันก็ไม่หายไปก็เลยต้องกลับมาค้นที่ใจจึงพบว่าอ๋อตัวที่ทําให้ใจดิ้นทําให้ใจมาเกิดก็คือความอยากที่มีอยู่ในใจ น, นั่นเอง และเครื่องมือที่จะใช้ให้หยุดความอยากนี้มันก็อยู่ในใจเช่นเดียวกันเช่นเครื่องมือที่ให้เรามาหยุดความอยากก็คือการทำใจให้สงบนี่ทาที่จะทาให้ใจใ้สงบนี้อยู่ในใจเราเรียกว่าสติแต่ตอนนี้สติของพวกเรามันเป็นสติแบบแบบเด็กมีกําลังน้อยยังไม่เป็นสติแบบผู้ใหญ่ ยังสู้ความอยากไม่ได้พอเกิดความอยากแล้วต้องยอมก้มหัวให้มันมันสั่งให้ไปทำอะไรต้องทำตามมันแต่ถ้าเรามาฝึกสติให้มันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วต่อไปเวลาความอยากมันสั่งมาเราสามารถตอบโต้มันได้ไม่ทำอยากจะทำไปทำเองแต่จะไม่ทำให้มันในต่อไปถ้ามีสติ นี่คือทำที่พระเจ้าสอนว่าจะทําให้เหล่านี้หยุดความอยากต่างๆได้ก็คือสติเพียงแต่ว่าหยุดได้แต่ยังกําจัดมันไม่ได้แต่อยากจะกําจัดมันต้องใช้ปัญญาเราต้นหยุดมันก่อนพอหยุดได้แล้วก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันอีกทีปัญญาถึงจะทําทให้ความอยากหายไปแต่ก่อนที่จะใช้ปัญญาได้ต้องใช้สติหยุดมันก่อน ถ้าหยุดมันยังหยุดมันไม่ได้ปัญญาไม่สามารถวิ่งตามไปข่ามันได้ต้องรอให้สติหยุดมันเมื่อสติหยุดมหนแนละ้วทีนี้พอมันโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาฟันมันได้เลย<ม>นี่คือขั้นตอนสองขั้นตอนของการที่จะหยุดความอยากต่างๆหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันต้องหยุดด้วยสติด้านหยุดด้วยปัญญา ถ้ามีสติเ้าก็จะทําให้จิตนิ่งสงบเป็นสมาธิได้<ม>พอจิตสงบก็จะเกิดความสุขที่มหัศจรรย์ใจความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกเลี้ยงกาย<ม>พอเราได้ความสุขที่ดีกว่าเราก็เลิกหาความสุขแบบเก่าได้เลิกหาความสุขทางตาหูจมูกเลี้ยงกายได้หยุดความอยาก ดูอยากฟังอยากล่นลดดมกลิ่นได้ด้วยการใช้ปัญญาบอกเหตุผลว่าทำไมเราควรจะหยุดเพราะถ้าเราไม่หยุดเราจะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองเนี่ยนี่คือปัญญาต้องหยุดหยุดเพราะอะไรหยุดเพราะว่าถ้าไม่หยุดมันก็จะอยากไปเรื่อยๆพออยากไปเรื่อยๆพอร่างกายตายไปความอยากมันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่ แต่ถ้าทุกครั้งที่มันอยากแล้วเราไม่ไ ม, ไม่ทำตามความอยากเราหยุดทำเราไปความอยากมันก็จะหายไปพอความอยากหายไปหมดก็จะไม่มีอะไรมาดึงใจหรือดันใจให้ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่เมื่อไม่เกิดใหม่ก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายนี่คือเรื่องที่เรื่องที่เราจะได้ยินได้ฟังจากการมาฟังเทศฟังธรรม เรื่องของบุญของบาปเราอาจจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยและอาจจะมีศาสนาอื่นสอนเหมือนกันสอนให้ทำบุญสอนให้ทำบาปเหมือนกันแต่ผลของบุญของบาปคือสวรรค์นรกอันนี้อาจจะไม่คล้ายไม่เหมือนกันแล้วแต่ความเข้าใจของผู้สอนก็สอนไปตามความเข้าใจแต่ก็มีลักษณะเดียวกันถ้าเป็นสวรรค์ก็มีแต่ความสุขถ้าเป็นนรกก็มีแต่ความทุกข์ แต่ไม่ได้สอนเรื่องการกลับมาเกิดกันส่ญนากคิดว่าไปนรกก็ไปเลยไม่กลับมาไปสวรรค์ก็ไปเลยไม่กลับมาแต่าทางศาสนาพุทธนี่สอนว่าไม่ว่าจะไปสวรรค์หรือไปนรกพอบุญหรือบาป ท, ที่ส่งไปนรกหรือไปสวรรค์หมดกาลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็เกิดมาทําบุญทําบาปใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่กลับมาทุกข์ใหม่ จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้วิทย์สอนวิธีให้เราหยุดการกลับมาเกิดด้วยการมาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันฝึกสติกันที่เราเรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนานี่ก็คือการมาหยุดใจทำใจให้สงบแล้วทำให้ใจมีความสุขเมื่อมีความสุขก็จะได้ไม่ต้องไปใช้น่างกาย หาความสุขนั่นเองและเวลาที่ยังมีความอยากไปใช้ร่างกายก็ใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปเพราะเป็นความสุขที่จะพาให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอเรามีสติมีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายาต่อไป แต่เราไม่ได้หายไปไหนการไม่ได้มาเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเราหายไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไม่มีความทุกข์ท่านั้นเองอยู่แบบไม่มีภาระตอนนี้เรามีภาระมากมีร่างกายนี้ก็เป็นภาระละเดินขึ้นมาก็ต้องหาอะไรให้มันกินละต้องขับถ่ายต้องอาบน้ำํำอาบท่าอาน้ำํำอาบท่าล้างนหน้าแปรงฟันหาข้าวหาของหาเสื้อผ้าหารองเท้าหาอะไร วนวายไปหมดนอกจากนั้นยังต้องไปรับใช้ความอยากอีกต้องไปเที่ยวต้องไปดูไปฟังไปกินไปเดิ่มไปอะไรอีกแล้วถ้าไม่ได้ทำก็เสียอกเสียใจร่องห่มร้องไห้เศร้าโศกถ้าเรามีความอยากมันก็จะพาให้เราต้องมาเจอเรื่องวุ่นวายต่างๆได้ความสุขก็แป๊บเดียวพอได้ทําำลายที่เราอยากทําก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเดี๋ยวก็ต้อง ทำอะไรใหม่หาอะไรมาใหม่แล้วทนไม่ได้ก็เสียใจนี่แหละคือถ้าเรายังเกิดอยู่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เกิดก็เหมือนเรานั่งเฉยๆสบายอิ่มตลอดเวลาสุขตลอดเวลาไม่ต้องไปทำอะไรนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกใจของท่านไม่มีความอยากท่านเลยไม่ต้องดิ้นรนเหมือนพวกเราท่านมีความสุขอยู่ตลอดเวลาพวกเรามีความสุขแป๊บเดียว พอหมดก็ต้องหาใหม่หาได้ใหม่ก็แป๊บเดียวก็หมดไป ก, ก็ต้องดิ้นหาอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาหาไม่ได้กระทุ้กกันเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายจึงเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจกันมากที่สุดเพราะเป็นเวลาที่ไม่สามารถหาความสุขกันได้นั่นเองนี้ก็เรื่องของทำต่างๆที่เราจะได้ยินได้ฟังกันพอฟังแล้วเราก็จะเข้าใจมากขึ้นไปตามลาดับ แลวเราก็จะหายสงสัยในเรื่องต่างๆที่เราสงสัยกันแลวเราก็จะสามารถเข้าถึงความจริงวิธีการต่างๆวิธีดับทุกข์ต่างๆเข้าสู่ธรรมต่างๆได้แลวเราก็จะมีความสุขไปตลอดจึงเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของการฟังธรรมกาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกลัลโมตัมมัง ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสักลังเอวเมวะิตโตทินงังเปตานาังอุปปกักปติยิทีตังปัติตังตุนหามคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตตสางกปา จันโทปนาหระโสยธามณีจโตอราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะเตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสานิจาวุทธา ปัจายโนจะตาโรธมมาวะาติอายุวันสุขังภาลังำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยขอยถามแต่เฉพาะช่วงที่เรายังประชุมกันอยู่ ถ้าหลังจากเลิกประชุมแล้วของดถามตอบถ้าไม่อยากจะถามเองก็ให้เขียนใส่ข้อความส่งเข้ามาแล้วจะมีะพิธีกรช่วยอ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ๊กเข้ามาทั้งหมด212ค น, YouTube, คนยูทู e 202คนพิทยุออนไลน์31คนพูดและฟังบนเขา222 23คน รวมทั้งหมดห6 8้อยหกสบแปดคนครับผมหกร้อย <6. S 2> กว่าเกือแบบต้องหกเกินไปสองไถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยมีคำถามจากบนเขานะคะพี่สาวปฏิบัติธรรมแล้วบ้าจะแก้ไขอย่างไรคะแต่ผู้รู้เรื่องทุกอย่างคะ่ะต้องกินยาหูแว่วว่ามีคนจะมาฆ่า ให้ไปกระโดดน้ำก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพลงความคิดของเราเราคิดไปแล้วก็เราก็เชื่อความคิดของเราแสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาแยกแยะว่ามันเป็นเพลงแต่ความคิดเท่านั้นเองคิดว่าเป็นความจริงคิดว่ามีอะไรเข้ามาสิงมาบอกเราแต่ความจริงแล้วมันก็จิตของเราไม่สงบไม่มีสติ มันก็เลยคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอะไรต่างๆถ้าอยากจะให้หายบ้าก็ต้องฝึกสติให้มากๆหยุดความคิดให้ได้ถ้ามีสติมากพอแล้วต่อไปเสียงเหล่านี้เสียงต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปล้วก็จะกลับมาอยู่แบบปกติได้ถ้ามีสติมากกว่านั้นก็อาจจะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ ก็จะปฏิบัติทำบรรลุทำได้ต่อไปให้กลับมาฝึกสติถ้าถ้าทำได้เช่นให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆบ่อยๆอย่าคิดปรุงแต่งคำถามจากคุณเป้กราบสอบถามพระอาจารย์ถ้าคิดถึงคนรักเก่าที่เขาเลิกกับเราไม่ยอมกลับมาอยากลืมแต่ทำไม่ได้ ผ่านมาเป็นปีแล้วต้องทำอย่างไรครับก็คิดว่าเขาตายไปแล้วก็แล้วกันเขาตายเาก็กลับมาไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายกลับมาแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายเราก็ต้องมาล่องห่มล่องไห้หมาอยู่ดีก็คิดว่าเขาตายไปซะแล้วก็หมดเรื่องถ้าก็จะกลับมาก็เรื่องของเขาถ้าาไม่กลับมาก็อย่าไปคิดถึงเขาเวลาคิดก็ให้คิดพุดโทโธแทน เวลาพอจะคิดถึงเขาก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหยุดคิดถึงเขาถ้าหยุดคิดถึงเขาแล้วก็หยุดพุทโธได้ถ้าเราพอเราหยุดพุทโธก็ยังไปคิดถึงเขาอยู่ก็ก็ต้องคิดก็ต้องพุทโธพุทโธใหม่หรือถ้าจะคิดถึงเขาคิดถึงกระดูกเขาบ้างก็ได้คิดถึงปอดก็บ้างก็ได้คิดถึงตับไตไส้ภูมิเขาบ้างก็ได้ถ้าคิดถึงส่วนที่ไม่น่าดูของเขาต่อไปก็อาจจะไม่คิดถึงเขาก็ได้ คำถามต่อไปจากคุณพิทัก์กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับคำว่าปัญญาอบรมสมาธิที่หลวงตาท่านได้เคยเทศสั่งสอนคืออะไรครับก็คือเวลาเรานั่งสมาธิแล้วเราอยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาถามตัวเราว่าเรากําลังวุ่นวายกับเรื่องอะไรฉันกาลังกังวลกับเรื่องแฟนไปมีชู้เปล่าเอ นั่งสมาธิก็นั่งไม่สงบก็ลองพิจารณาแฟนว่าถ้าเราไปควบคุมเขาได้เปล่าถ้าก็จะไปมีชู้ถ้าก็อยากจะไปมีใหม่เราจะถ้าเราจับเขาขังไว้ในบ้านได้ก็อาจจะ ก, กันเ็าได้หรือล่ามโซ่ไว้ก็เขาก็อาจจะไปไม่ได้แต่เราทําอย่างนี้ได้หรือเปล่าเราทงนี้ก็เดี๋ยวก็ถูกจํถูกตารวจจับเข้าคุกเขาเป็นคนก็มนตัวของเขาเอง เราอยากจะไปหาใครชอบใครเราไปห้ามเขาไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเป็นอนัตตาเหมือนเป็นดินฟ้าอากาศเราไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้แล้วก็ไปห้ามคนไม่ได้คนเขาจะรักเราเขาจะเกลียดเราเขาจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเรานี่เราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาเมื่อไหร่เราก็จะปล่อยเขาได้ปล่อยให้เขาไปเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปเขาอยากจะอยู่ก็ปล่อยให้เขาอยู่ เราก็จะไม่วุ่นวายใจไปกับเขาเราก็จะกลับมานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกได้หรือพุทธโธได้อันนี้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิคำถามต่อไปจากคุณกนิฐาขอโอกาสถามพระอาจารย์ค่ะการกล่าวอุทิศส่วนกุศลสามารถทำได้ก่อนและหลังการทำบุญไหมคะ ออก่อนทําบุญทําไม่ได้หรอกเพราะยังไม่มีบุญอยูุทิศต้องเหมือนกันก่อนจะก่อนจะใช้บัตรเอทีมได้ก็ต้องมีเงินในในธนาคารก่อนไม่เอาเงินเข้าธนาคารไปกดบัตรมันก็ไม่มันก็ไม่มีเงินออกมาบุญก็แบบเดียวกันอเจะอุทิศบุญก็ต้องทําบุญก่อนพอมีบุญแล้วก็อุทิศได้ไม่ต้องใช้น้ําก็ได้บุญนี่ไม่ต้องมีน้ําส่งไป ใช้กระแสะจิตของเราส่งไปขอให้เราระ ล, ลึกภายในใจว่าขอทิศส่วนบุญนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ที่ร่วงรับไปแล้วก็ถือว่าได้ส่งไปแล้วและในการกล่าวอุทิศส่วนบุญการเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อตอนกรวดน้ำอย่างไรผู้รับจะได้รับบุญมากกว่ากันค ะ, ะน้าไม่ต้องมีมีน้าหรือไม่มีน้ ำ, นำก็ไม่ไม่ต่างกัน ส่วนชื่อนี้ต้องบอกถ้าไม่บอกชื่อเขาก็รับไม่ได้เหมือนส่งของไปทางไปเสนีไม่ไม่บอกชื่อที่อยู่ไปเสนีก็มันก็จะส่งไปให้ใครอันนี้ก็เหมือนกันคำถามจากคุณพิยาพรขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะว่าหากเรานั่งสมาธิทุกวันแล้วในระหว่างวันเพื่อ เพื่อการมิให้เกิดกิเลสถ้าเราใช้อุบายบังคับจิตให้ว่างกับนึกถึงความตายจะห้ามการปรุงของกิเลสได้ไหมคะก็ลองทําดูสิบางคนทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องใช้สติแทนถ้าเราสามารถใช้ปัญญาคิดถึงความตายคิดถึงความว่างแล้วมันหยุดคิดได้ก็ทําได้แต่มันก็เพียงแต่หยุดคิดแต่เนื้อจะไม่รวม มันก็ยังอาจจะคิดอยู่บ้างคิดน้อยลงไปถ้าอยากจะให้มันหยุดเต็มที่นี่มันต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวแล้วเดียวมันก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่คาถามจากคุณมงคลสุริยะพัตตาหารเมื่อพระฉันไม่หมดจะเก็บไว้ฉันวันต่อไปได้ไหมขอรับถารับประけてแล้วไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้รับประเคนเช่นของที่ไม่เสียหรือมีที่เก็บในตู้เย็นญาติโยมมาถวายมากก็บอกว่าแบ่งถวายไว้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเก็บเอาไว้ให้ลูกศิษย์เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้เช้าลูกศิษย์ก็จะอุ่นมาถวายอย่างนี้ทาได้อยู่แต่ถ้ารับแล้วนี่เก็บไว้ไม่ได้นะถ้ารับประเค้นแล้วถ้าฉันไม่หมดก็ต้องเสียสละไปต้องทาบุญทาทานไปให้ผู้อื่นไป คำถามต่อไปนมัสการครับตั้งแต่ที่เริ่มภาวนามาบางครั้งมันมีจิตที่บอกเหตุการณ์ข้างหน้าเล็กๆน้อยๆแล้วมันเป็นจริงตามความคิดนั้นมันหมายถึงอะไรครับก็หมายว่าเราเีตาทิปนั่นเองรู้เหตุการณ์อนาคตได้แต่เราก็ต้องมั่นใจว่ามันเห็นจริงทุกครั้งหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่จริงเราไป ทุ่มเทไปแทงหวยแล้วไม่ถูกมันจะขาดทุนเราแต่ถ้ามันแม่นทุกครั้งก็ก็ถือว่าเรา normal เพราะ ม, มันไม่แน่นอนเราต้องใช้ปัญญา อ, อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเห็นอะไรแล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปอมันอาจจะไม่เป็นก็ได้ อ, อันนี้ก็ต้องระมัดระวังคำถามต่อไปจากคุณทูหลวงพ่อครับ เป็นพระเจ็ดวันนั่งสมาธิอย่างเดียวจะได้จิตสงบเย็นไหมครับถ้าทำได้ก็สงบมันมันอยู่ที่ว่าสติเรามีหรือไม่มีถ้าไม่มีสตินั่งยังไงก็ไม่สงบงั้นอยู่ที่กำลังของสติคำถามจากคุณลอลลี่เบบีมีวิธีจะฝึกฝนตัวเองได้อย่างไรจะคคะเกี่ยวกับการ ฝึกสติให้เข้มแข็งก็มันพุทธโทไปเรื่อยๆพยานพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าพุทอย่าคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดเฉพาะงานคิดกับสิ่งที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ให้พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวต่อไปจิตก็จะมีสติขึ้นมาคำถามจากลายอยากทราบว่ากระสิน เป็นการทำสมาธิหรือไม่และได้ประโยชน์อย่างไรบ้างกสินก็เป็นอารมณ์ที่เราใช้ทำสมาธิเหมือนกับลมหายใจท่อแทนที่เราจะดูลมเราก็จะใช้กสินกระสิ น, ก, สนก็มีสีต่างๆสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวให้เลือกเอาสีใดสีหนึ่งแล้วนึกให้มันเห็นขึ้นมาในใจเช่นถ้าเราอยากจะใช้สีเขียวตอนต้นเราก็ดูใบไม้ดูสีเขียวไว้ แล้วจดจําสีนั้นแล้วก็นั่แล้วก็หลับตาแล้วก็ให้นึกถึงสีเขียวให้สีเขียวมันอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆก็เหมือนกับดูลมหายใจแทนที่จะดูลมหายใจก็ให้ดูสีเขียวในใจเราไปแล้วถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสีเขียวอยู่ในใจเราเดี๋ยวใจเราก็จะสงบได้คําถามจากลายปราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ ตอนนั่งสมาธิรู้จิตว่าเกลียดมากไม่พอใจมากเราจะกาหนดใจเราอย่างไรให้ทุกนั้นหายไปเจ้าคะเพราะไม่สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้เวลาเกิดความโกรธเกลียดใครก็ต้องแผ่เมตตาต้องให้อภัยคนที่เราเกลียดเขาทำอะไรให้เราเสียหายก็ยกโทษไปไม่จองเวรจองกรรมกัน แล้วเราก็จะหายเกลียดเขาไปคำถามจากบนเขาการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิเราสามารถใช้บทสวดมนต์เป็นคำภาวนาได้ไหมคะได้ได้เหมือนกันเราเดินไปพุทโธสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้ไม่าไ ม, ไม่ควรจะออกเสียงถ้าสวดไปในใจจะดีกว่าเพราะจะได้ดูแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าเกลียด เพราะธรรมดาเวลาเราสวดบนเรามักจะนั่งกันแต่ถ้าเราเดินจงกรมก็สวดไปภายในใจแล้วถ้าสวดออกเสียงก็เบาๆพอเราได้ยินคนเดียวจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นคำถามจากคุณสุกัญญาถ้านั่งหรือนอนแล้วหลับตาแล้วรู้สึกว่า มีแต่ความว่างเปล่าเหมือนไม่มีตัวบางครั้งนั่งรถเมษแล้วหลับตาก็เป็นบางครั้งกําลังจะหลับก็เป็นคืออะไรอันตรายไหมคะออไม่อันตรายหรอก็ใจเราว่างใจเราสบายใจเราสงบคันถามจากคุณบีนา อ, อ่ะข้อหนึ่ง เรามีสิทธิ์เบิก OT ได้แต่น้องที่ทำงานด้วยกันไม่มีสิทธิ์เบิก OT เมื่อมีการไปทำงานนอกสถานที่หัวหน้าบอกให้เราเบิก OT ในชื่อเราทาั้งๆที่เราไม่ได้ไปทำงานนอกสถานที่แต่น้องไปทำนำมาให้น้องเพื่อไปทำงานนอกสถานที่อย่างนี้ถือว่าผิดศีลไหมคะก็เป็นการโกหกนะ ไม่ได้ัไม่เป็นความจริงนันก็เป็นผิดศีลข้อสี่ข้อข้อมุสาหมดแล้วะหละคือถ้าเราพูดอะไรหรือทาอะไรไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เป็นมุสาแล้วก็เป็นการอ่ช่อโกงด้วยนักทรัพของผู้อื่นเอาทรัพของผู้อื่นมาให้อีกคนนึ่น อันนี้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำเราก็โกหกแล้วคนที่รับเงินไปก็เป็นเหมือนคนรับทรัพย์ไปก็อย่าไปโลภอยากได้เงินทองเลยเพราะว่าโทษของการทำบาปนี้มันหนักกว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากสิ่งที่เราทำเงินทองเราก็มาใช้เดี๋ยวเดียวก็หมด ตายไปเราก็าไปไม่ได้แต่บาปนี้จะติดไปกับเรารจะพาให้เราต้องไปฝันร้ายไปเจอแต่เรื่องร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีต่างๆสู้ยอมอดอยากขาดแคลนดีกว่าตายไปก็ไม่มีบาปติดตัวไปแต่ถ้าเราโลภทํางนี้บ่อยๆแล้วใจของเราก็จะหิวโหวยได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ ตายไปก็อาจจะไปเป็นเปรตได้เอ mm hmm. ็นอย่าโลภอย่าอยากได้เข้าของเงินทองของคนอื่นเขาถ้าเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริตไม่ทำบาปก็อย่าไปมีอย่าไปเอาดีกว่าอยู่แบบยากจนไปดีกว่าแต่ใจปลอดภัยจากอบายมีคำถานจากเฟซบ o o กค่ะคุณคุณกอลฟบวชแล้ว แต่มีอุปสรรคมากส่วนด้านจิตใจก็สบายอยู่พอสมควรพยายามรู้อยู่กับปัจจุบันควรเจริญอะไรต่อไปครับก็จเจริญปัญญาหรือนั่งสมาธิให้เจ็ดรวมถ้าจิตยังไม่รวมลองนั่งสมาธิดูถ้ามีสติแล้วก็ต้องนั่งเฉยๆหลับตาพุโทโธพุโทโธไปให้จิตนิ่งสงบเต็มที่ หรือถ้าไม่ใช้พุโทโธก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วถ้าจิตรวมแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญาได้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามของเราของคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา แล้วสิ่งที่ตายก็ไม่มีตัวตนเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนกับรถยนต์ไม่มีตัวตนในรถยนต์เป็นของที่เราผลิตกันขึ้นมาพ่อแม่ผลิตร่างกายขึ้นมาทำจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟผู้ที่มาครอบครองก็คือใจก็แยกออกจากร่างกายไป ไหลรับผลบุญผลบาปต่อไปนี่คือปัญญาให้พิจารณาเพื่อต่อไปเวลาใครตายเราจะได้ไม่ร้องห่มร้องไห้เราตายเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นอนัตตาเป็นน้ำดิ น, นมลมไฟไม่มีตัวตนเราผู้รู้ผู้คิดเพียงแต่มาอาศัยร่างกายเป็น ผู้รับใช้เราเท่านั้นเองให้เขาใช้ละพาเราไปทำอะไรต่างๆเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่ต่อไปจะต้องพังต้องเสียเมื่อพังก็เปลี่ยนรถใหม่ทิ้งรถเก่าไปไม่จาเป็นจะต้องมาร้องห่มร้องไห้หวาดเสียวหวาดกลัวกับความเป็นความตายของร่างกายเพราะเราไม่ได้เป็นไม่ได้ตายไปกับร่างกายมีคาถามจาก YouTube ค่ะ เกิดมาชาตินี้รู้สึกโชคดีที่ทันได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติตามคําสอนทานศีลภาวนาให้มากเท่าที่ทําได้เพราะหวังจะให้ติดเป็นนิสัยไปทุกชาติถ้ายังไม่ได้โสดาบาันชาตินี้โยมทําถูกไหมคะถูกแล้วล่ะพยายามทําให้มากๆ ม, มากเท่าไหร่มันก็จะเป็นนิสัยขึ้นมามากขึ้นไปด้านนั้น ถ้าจะให้เป็นนิสัยแบบไม่หลงไม่ลืมไม่กลับคืนก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันนี้ถึงแม้จะเป็นนิสัยถ้าต่อไปเราทิ้งเราไม่ทํามันก็อาจจะจางหายไปได้แต่ถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี่มันจะไม่มีวันจางหายไปคําถามจากเฟซบุ๊กกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะลูกสะปซ์ชอบขโมยของ ทั้งๆ ท, ที่ลูกเมตตาเขาทุกอย่างค่ะได้ยังไงท่านนี้เหรอนายงานน ะ, <c oughs> ะก็สอนเขาสิบอกว่าการขโมยของนี่บาปนะแล้วจะทำให้เราอยู่กับคนอื่นไม่ได้คนอื่นเขาจ ะ, ะเดือดร้อนจากการลักขโมยของเราต่อไปอาจจะอยู่กับเราไม่ได้บอกเขายางเตือนเขาก่อนให้เขารู้ว่าการลักทรัพย์นี้เป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น ผู้ที่เสียหายเขาก็ย่อมทนให้เราอยู่กับเขาไม่ได้ต่อไปก็อาจจะต้องให้เขาไปอยู่ที่อื่นมีคําถามจากคุณแพในระหว่างวันเวลาเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเราทําตัวให้มีสติเราสามารถพิจารณากายพิจารณาเวทนาได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะก็ได้ถ้าเราพิจารณาได้ก็พิจารณาไป กลจะพิจารณาไม่ได้เพราะใจที่ไม่มีสติพอที่จะทําใจให้สงบนี้จะไม่สามารถดึงใจให้มาพิจารณาได้บ่อยเพราะจะถูกกิเลสดึงไปพิจารณาทางอื่นแทนทางกิเลสแทนแต่ถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปพิจารณาเพื่อปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาร่างกายแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป อย่าไปทุกข์กับมันเฉยๆไปให้รู้เฉยๆไปนี่คือเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพื่อให้ใจเราไม่วุ่นวายไปกับกายวุ่นวายไปกับเวทนาพิจารนาว่าเขาไม่เที่ยงเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไป เราทำได้อย่างเดียวก็คือให้รู้เฉยๆรู้ตามความเป็นจริงสัก์แต่ว่ารู้อย่าไปอยากให้เขามาอย่าไปอยากให้เขาไปถ้าอยากเราจะทำให้ใจเราทุกข์คันฐานจากคุณลิกิตีกราบเรียนถามพระอาจารย์ผมเคยได้อ่านคำสอนพระอาจารย์สายวัดป่าสอนว่าจิตที่ส่งออกนอกคือสมุทยัยรบกวนถามว่า จิตส่งออกนอกนี้หมายถึงอะไรครับใช่ความคิดไหมครับหรือมีความหมายลึกซึ้งการทำนี้แหละจิตก็คือความคิดเนี่ ย, พ อ, ยอออพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ออกไปข้างนอกนะพอคิดถึงรูปเสียงกลิ่นแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็คือสมุทัยที่จะทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาต่อไปพอคิดถึงขนมก็อยากกินแล้วพอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากดูและ้ะ คิดถึงเพลงก็อยากฟังนะคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนนะเนี่ยพอคิดถึงเรื่องราวต่างๆภายนอกใจมันก็จะทำให้เกิดความอยากความอยากก็คือสมุทรไทยตัวที่จะทำให้เราทุกข์ตอนที่เราอยากแล้วไม่ได้อยากกินขนมแล้วไม่ได้กินรู้สึกยังไงอยากจะสูบบุหรี่แล้วไม่ได้สูบยอยากจะดื่มชูราแล้วไม่ได้ดืม่มมันก็จะทาให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ส่งออกไปข้างนอก ใจของเราก็จะไม่มีความอยากก็จะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบเราจึงต้องใช้สติคอยดึงใจไม่ออกไปข้างนอกอการดึงใจเข้าข้างในเรียกว่ามัจเป็นทางสู่ความสงบด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆใจก็จะออกไปข้างนอกไม่ได้พอออกไม่ได้ใจก็จะสงบเป็นมัจเป็นผลขึ้นมาอเอาอีกข้อหนึ่งนะก็สุดท้าย คำถามจากผู้ไมประสงค์ออกนามในการนั่งสมาธิทุกครั้งจำเป็นต้องสมาทานศีลทุกครั้งใหม่คะเพื่อให้จิตมีกำลังอ๋อไม่จำเป็นหรอกถ้าเรารักษาศีลอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปสมาทานถ้าเรานั่งเฉยๆไม่พูดไม่จาเราก็มีศีลในตัวเลยนะการนั่งเฉยๆไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ทำผิดศีลข้อไหน ไม่พูดอะไรก็ไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดเพราะเจอไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดคําหยาบ ก, ก็มีศีลขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมาทานเอาล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด